สรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้ใฝ่วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะเอาเวลามาทำหน้าที่ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจหน้าที่ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้ก็มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นที่สอง หลังจากที่ได้ศึกษาได้รู้วิธีการกําจัดความทุกข์ต่างๆแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วพอได้ปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์ปฏิบัติแบบสุปฏิปฏันโนปูชอียะสามีจิปฏิปันโนการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา เรว่าการบรรลุธรรมขั้นต่างๆความทุกข์ก็จะค่อยๆหมดไปทีละขั้นทีละขั้ น, นมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันความทุกข์ของผู้ปฏิบัติที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นก็แบ่งเป็นสี่ขั้นแบ่งเป็นสี่ระดับของพระ อ, อริยบุคคลสี่ระดับนั่นเอง คือระดับพระโสดาบันระดับพระศกิดาคามีระดับพระอนาคามีและระดับพระอารหรันต์ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เคยปรากฏอยู่ในใจก็จะค่อยๆหมดไปตามกำลังของการปฏิบัติดังนั้นสิ่งแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทากันอยู่เรื่อยๆก็คือให้ศึกษาวิธีการกาจัดความทุกข์ต่างๆว่าจะต้องกาจัดความทุกข์ต่างๆด้วยวิธีใดวันพระนี้ก็เป็นวันที่มีการฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษาธรรม คือความจริงวันพระนี้เป็นวันที่เกิดขึ้นในยุคสมัยโบราณที่ไม่มีการสื่อสารแบบสมัยนี้การที่จะฟังเทศฟังธรรมได้นั้นจาเป็นที่จะต้องไปที่วัดเพราะที่วัดจะเป็นที่อยู่ของพระภิกษุผู้ทรงธรรมทั้งหลายคือพระอริยบุคคลทั้งหลาย พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ในวัดกันแล้วท่านก็จะสั่งสอนธรรมะที่วัดผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาธรรมะก็ต้องเดินทางไปที่วัดถึงจะสามารถศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะไม่มีสื่อสารแบบสมัยนี้สมัยนี้เรามีสื่อสารที่เราสามารถที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ในหลายรูปแบบด้วยกันศึกษาจากการอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ศึกษาจากการดูภาพหรือฟังเสียงจากสื่อที่ผลิตภาพและเสียง ให้ได้ดูได้ฟังได้เช่นในขณะนี้ท่านที่ไม่ได้มาที่วัดก็สามารถที่จะติดตามชมและฟังการถ่ายทอดสดของการแสดงธรรมที่แสดงอยู่ที่วัดในเวลานี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาและสามารถที่จะดูย้อนหลังได้สามารถดู และฟังธรรมะได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงดังนั้นไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้ถึงวันพระแล้วถึงจะค่อยมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม <c oughs> เพื่อให้เรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์ต่างๆว่าจะดับความทุกข์ได้อย่างไรสมัยนี้ เราสามารถศึกษาธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงจึงเป็นยุคที่ต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นไม่มีสื่อที่จะสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนสมัยนี้ถ้าอยากจะฟังเทศฟังธรรมก็ต้องรอวันหยุดทำงานเพราะถ้าวันไหนที่ต้องไปทำงานก็ จะไม่สามารถไปวัดได้ก็ต้องรอให้มีวันหยุดทำงานพอวันหยุดทำงานก็จะได้เดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยเพราะที่วัดก็เป็นที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ จึงมีวันพระเกิดขึ้นมาในอดีตและมีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่สมัยปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกวันพระเลือกวันศึกษาเลือกวันปฏิบัติของเราเองได้เพราะว่าวันหยุดทำงานของเรานี้มักจะไม่ตรงกับวันพระเสมอไปเช่นวันนี้เป็นวันพระรหัสเส ป, ปดี คนส่วนใหญ่ก็ต้องไปทำงานกันเพราะที่ทำงานเขาไม่หยุดทำงานจะหยุดทำงานก็ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดังนั้นชาวพุทธู้ปรารถนาวิมุติธรรมปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานของตน เพื่อที่จะได้มีเวลาได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เอาธรรมที่ได้ศึกษาได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามมาต่อไปดังนั้นสมัยนี้ท่านสามารถกำหนดวันพระของท่านเองได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มีการกำหนดจากทางศาสนาแต่ถ้าท่านสามารถหยุดวันทำงานให้ตรงกับวันพราได้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันที่ไม่ต้องไปทำงานทาการหรือสามารถหยุดทำงานให้ตรงกับวันพระได้ก็ เดินทางมาที่วัดเพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปนี่คือวิธีการของการทำหน้าที่ของชาวพุทธเราในยุคสมัยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ตรงไม่เหมือนกับสมัยโบราณสมัยพุทธกาลแต่ก็เป็นวิธีการอันเดียวกัน คือมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมที่กำลังแสดงอยู่โดยผ่านสื่อต่างๆก็ได้หรือจะเข้าไปค้นคว้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของหนังสือต่างๆก็ได้หนังสือที่มี บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้สมัยนี้ก็สามารถที่จะค้นหาอ่านได้จากโทรศัพท์มือถือโดยตรงเลยอยากจะรู้วิธีการดับทุกในระดับไหนก็สามารถเข้าไปค้นคว้าเอามาอ่านเอามาศึกษาแล้วเอา ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้เอาไปปฏิบัติได้เลยเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งคำสอนความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะดับไปดังนั้นคำว่าวันพระสมัยนี้สำหรับทุกท่านอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เ mm. พราะมันสามารถกาหนดขึ้นมาเองได้ ขอให้เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเทนั้นเองสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาต้องมีเวลาว่างไม่ควรที่จะไปทำภารกิจอย่างอื่นเพราะการทำภารกิจทางธรรมทำหน้าที่ทางศาสนานี้ต้องทำแบบไม่มีหน้าที่อย่างอื่นมามาปะปนด้วยเพราะว่ามันจะ ทำให้การทำหน้าที่การศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรดังนั้นควรที่จะหาเวลาอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการแล้วกาหนดวันนั้นให้มาเป็นวันทำหน้าที่ของชาวพุทธเรา คือศึกษาวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบําเพ็ญได้ส่งปฏิบัติแล้วก็ส่งเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามไปตามขั้นตามตอน อย่าข้ามขั้นตอนต้องศึกษาให้รู้วิธีการดับความทุกข์ที่ถูกต้องก่อนว่าดับอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจนั้นเริ่มดับลงไปทีละขั้นทีละตอนความทุกข์ใจนี้มันไม่ได้ดับทีเดียวพร้อมกันหมด ทีเดียวเลยมันเป็นการดับตามขั้นตามตอนของการปฏิบัตินี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราศึกษาธรรมะเรียกว่าปริยัติธรรมแล้วเอาธรรมะที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรม แล้วก็ปฏิบัติไปจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าปฏิเวทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่คือหลักการของศาสนาของชาวพุทธเราทุกคนต้องทำหน้าที่เหล่านี้ให้สำเร็จก่อนแล้วถึงไปขั้นที่สี่คือเผยแผ่ธรรม ก่อนที่เราจะเอาธรรมะไปเผยแผ่ให้กับผู้อนเราต้องบรรลุธรรมก่อนเราต้องมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้ก่อนเมื่อเราได้บรรลุธรรมแล้วเราค่อยเอา ทำที่เราได้เรียนรู้ได้ปฏิบัตินี้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้เอาไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจอยากจะรู้<ม>การจะสั่งสอนผู้ น, นั้นต้องอยู่ที่ว่าผู้นั้นเขามีศรัทธาในตัวเราหรือไม่มถ้าเขามีศรัทธาเขาอยากจะเรียนรู้จากเราเราก็สอนเขาได้ แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปประกาศบอกคนนั้นคนนี้ว่าให้มาเรียนธรรมะกับเราอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าการเผยแผ่ธรรมะนั้นเผยแผ่ให้กับผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความยินดีที่จะฟังธรรมที่จะเรียนรู้จากเรา อย่าไปบีบังคับเขาให้มาฟังธรรมอย่าไปชวนคนนั้นดึงคนนี้มาให้มาฟังเทศฟังธรรมอันนี้มันจะเป็นการบังคับซึ่งทางศาสนาพุทนี้ไม่มีเป้าหมายที่จะบังคับใครให้มาศึกษาให้มาปฏิบัติเหมือนกับหมอโรงพยาบาลเนี่ย เขาไม่ไปบังคับให้คนไข้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเขาปล่อยให้คนไข้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่อยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองเพราะถ้าเขาไปด้วยความสมัครใจยินดีที่จะฟังที่จะรับการรักษาจากหมอการดูแลรักษาคนไข้พยาบาลมันก็สะดวก พราะคนไข้ยอมรับคําสั่งคําสอนวิธีการรักษาของแพทย์ของพยาบาลอะไรแต่ถ้าคนไข้เขาไม่ยินดีที่จะมาโรงพยาบาลแล้วไปบังคับให้เขามานี่เขาก็จะเกิดการต่อต้านได้ต่อต้านแล้วก็จะทําให้ยากลําบากต่อการรักษาพยาบาลให้คนไข้นั้น หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉนันใดความทุกข์ของใจก็เป็นโรคของใจเหมือนกับโรคของร่างกายที่จาเป็นที่จะต้องมีการเยียวยารักษาให้หายไปจากใจการที่จะรักษาโรคทางใจก็เหมือนกับการรักษาโรคทางกายผู้ที่เป็นโรคทางใจคือมีความทุกข์ใจ ต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองนี้มีความทุกข์ใจเป็นโรคที่เหมือนกับโรคของร่างกายที่ตัวเองไม่สามารถที่จะรักษาทำให้มันหายได้ต้องไปพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลหมอทางใจโรงพยาบาลทางใจก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้ คือหมอทางใจที่จะรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายได้แล้วโรงพยาบาลของใจที่จะรักษาโรคใจก็คือ ว, วัดวารามต่างๆนีเ่เป็นที่ผู้ที่มีความทุกข์ทางใจที่ต้องการรักษาให้หายขาดไปจากใจต้องไปรักษาที่วัดกัน วัดกับพระอริยาบุคคล น, นี้ก็เป็นเหมือนหมอกับโรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกาย<ม>แล้วคนไข้ก็ต้องเป็นคนไข้ที่มีศรัทธามีความยินดีที่จะไปรักษาหมอหมอและพยาบาลจะไม่มาดึงให้คนไข้คนนั้นคนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบา<ม>ลเพราะคนไข้ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะไปเขาก็จะต่อต้านได้ แล้วก็จะทำให้การรักษานี้เป็นไปได้ยากหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ฉันใดการทำให้ความทุกข์ทางใจหายไปนั้นคนที่มีความทุกข์ทางใจก็ต้องมีความยินดีมีศรัทธาในผู้ที่จะมารักษ า, ารักษาที่จะที่จะใช้ในการรักษา ก็คือต้องยินดีเข้าหาพระอริยบุคคลไปวัดกันไปรักษาที่วัดกันไปอยู่ที่วัดไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมกันถึงจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บทางใจหายไปได้ดังนั้นถ้าหลังจากที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้ว สำเร็จบริบูรณ์แล้วไม่มีงานอะไรที่ต้องทำแล้ว<ม>ก็พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ไปช่วยรักษาพยาบาลผู้อื่น<ม>ใจของผู้อื่นให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ต้องให้ผู้อื่นที่มีความทุกข์ใจ<ม>เข้ามาหาเอง<ม>เข้ามาขอความรู้ขอความช่วยเหลือ<ม>ถึงจะสามารถที่จะ ช่วยได้พระพุทธเจ้าก็หลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวพระองค์ก็ส่งไปพบกับพระที่ท่านเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไ ป, ไปบังคับไปสั่งให้เขามาศึกษาเพียงแต่ไปเยี่ยมเยียนไปทำหน้าที่เหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันก็มาเยี่ยมเยียนถามสารทุกข์สุขดิบแล้วถ้าผู้ที่ได้ยินได้พบต่อพระเจ้าเกิดความสนใจก็อาจจะเกิดการถามคำถา ม, ถามต่างๆขึ้นมาให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบพระพุทธเจ้าก็เลยได้ แสดงทำให้กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะต้อนรับพระพุทธเจ้าเช่นมีชายคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบระหว่างทางที่จะไปพบกับพระปัญจวัคคีชายคนนี้ก็ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนจะทำอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะไปเยี่ยมเยิยนอม่มสหาย ชายคนนั้นก็ไม่ได้มีความยินดีที่อยากจะให้พระเจ้าทรงสอนวิธีดุดพ้นจากความทุกข์ก็เพียงแต่บอกว่าเาจเจริญเจริญพรแล้วก็แยกทางกันไปพระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับไม่เรียกเขามาว่ามาฟังเทศฟังธรรมนะแล้วเราจะสอนเราจะบอกวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าทําอย่างไรเมื่อเขาไม่ยินดีที่จะฟังก็ จะไม่มีการสอนนี่คือหลักการของการเผยแพร่ธรรมของของพุทธศาสนาเบื้องต้นผู้ที่จะเผยแพร่ธรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์แล้วคือบรรลุธรรมขั้นที่สี่ขั้นพระอรหรันผู้ที่มีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆอยู่ในใจ จะสามารถสั่งสอนทำให้ดูดพ้นจากความทุกข์ได้ร้อยเปอร์เซนต์ถ้ายังไม่ดูดพ้นอย่างร้อยเปอร์เซนเนนยังเป็นพระโสดาบันอยู่เป็นพระสกิรดาคามีอยู่เป็นพระอนาคามีอยู่ถ้าเอาเวลาไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ทำที่สอนก็ไม่สามารถสอนถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะสอนได้แค่ในระดับของพระโสดาบัน ถ้าเป็นพระสกิรดาคามีก็สอนได้ในระดับพระสกิรดาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็สอนได้ในระดับพระอนาคามีเท่านั้นจะไม่สามารถสอนในระดับของพระอาหารหันต์ได้แล้วถ้ามัวเอาเวลาไปเผยแผ่สั่งสอนทำให้แก่พูดเวลาที่จะเอามาปฏิบัติทำให้หลุดพ้นครบร้อยเปอร์ซ็น์ก็จะไม่มี ก็อาจจะต้องทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติของตนตนเองยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้จึงไม่ควรที่จะตั้งตนเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนผู้อื่นเพราะจะทำให้เสียโอกาสเวลามีค่าไปเพราะชีวิตของมนุษย์ก็เป็นของที่ไม่แน่นอน แล้วก็ไม่ยาวนานไม่เกินร้อยก็ต้องถึงแก่ถึงแก่ความตายไปแล้วเวลาที่จะามาปฏิบัติธรรมก็จะผ่านไปก็ต้องรอให้กลับมาเกิดพบต่อไปก่อนถึงจะได้ปฏิบัติต่อได้ทางศาสนาท่านจึงสอนว่าให้ทําประโยชน์ตนก่อนแล้วค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดในคาปัชิมโมวาดว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีการดับไปจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทก็คือให้รีบทําหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมก่อน ให้ได้รับประโยชน์คือให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นให้ได้ก่อนทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจให้หมดสิ้นไปก่อนแล้วค่อยไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นต่อไป mm hmm. แต่ถ้าในมีกรณีที่อาจจะยกเว้น mm hmm. คือไม่ได้เป็นการตั้งตนเป็นผู้สอ น, นอาจจะเป็นท้าสดาบัน แล้วมีเพื่อนสนิทมิตรสหายสนใจอยากจะปฏิบัติธรรมรมถามวิธีการปฏิบัติก็พูดได้บอกได้เป็นกรณีไปแต่ไม่ได้ตั้งตนเป็นพูดสั่งสอนอย่างเดียวไม่ทำภารกิจของตน ต, นต่อไปถ้ายังมีภารกิจของตนที่ยังต้องทำอยู่ก็ต้องทำภารกิจของตนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนรักษาตัวเองให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของผู้อื่นต่อไปถ้าโรคภัยไข้เจ็บของตนยังไม่รักษาโรคภัยมันอาจจะกาเริบขึ้นมาหนักกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นการปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นกับตนก่อนหลังจากที่ได้สาเร็จแล้วไม่มีภารกิจอะไรต้องทาอีกแล้ว ผู้ที่ต่างบรำมจาริยัยงแล้วกิจในบำมจารย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วค่อยเอาไปเผยแผ่พูดพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญอยู่หกปีด้วยกันจึงบรรลุตัสตลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาระหว่างนั้นก่อนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีพระบัญจัตวัคคีคอยติดตามคอยศึกษากับท่านอยู่แต่ท่านก็สอนเป็น กรณีกรณีไปเฉพาะกิจไม่ได้ทำหน้าที่เผยแพ่เป็นหลักหน้าที่ของท่านก็คือการปฏิบัติเพื่อให้ได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากที่ได้ตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงค่อยทำหน้าที่การเผยแพ่เผยแพ่สั่งสอนธรรมะนี้เป็นหน้าที่หลักหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสร้แล้วนี้ ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสี่สิบห้าปีด้วยกันท่านก็ทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะทุกวันเลยเพราะพระพุทธเจ้ามีพุทธกิจอยู่ห้ากิจด้วยกันในแต่ละวันกิจแรกก็คือการเลี้ยงดูร่างกายของท่านด้วยการออกบินธบาตโปรดสัตว์ทรงถือการบินธบาตเป็นภารกิจประจํา ถ, ถ้าวันไหนไม่สบายก็ถึงจะค่อยยกเว้น แต่ถ้าวันไหนร่างกายแข็งแรงสามารถออกบินธบาตได้ก็จะทรงออกไปบินธบาตโปรดสัตว์ก่อนแล้วพอตอนบ่ายก็จะมีศรัทธาญาติโยมมาพบมาฟังเทศฟังธรรมพระองค์ก็จะทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมคารวะผู้กองเอนื้อพนยามขําก็จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีสัมมาเนสั ม, มเนรี แล้วในยามดึกก็จะสั่งสอนเทวดาพวกกายทิพย์ทั้งหลายแล้วในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตก็จะสงรงแรงยามดูว่ามีบุคคลใดบ้างที่จิตใจพร้อมที่จะบรรลุธรรมและร่างกายอาจจะต้องเสียชีวิตไปในเวลาอันอันใกล้พระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดสั่งสอนธรรมะให้กับบุคคลนั้นก่อน น, นี่คือหน้าที่ของการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้<ม>พระพุทธเจ้าทรงบทรงเผยแผ่ธรรมอยู่ตั้งสี่สิบห้าปีด้วยกันตั้งแต่อายุสามสิบห้าตอนที่ได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นอายุสามสิบห้าปีจนถึงอายุแปดสิบปี<ม>สั่งสอนธรรมะวันละสี่ห้ารอบสามสี่รอบด้วยกันยังมีธรรมะคาสอน ที่มีบันทึกไว้ในภาพไตเปดกเป็นจำนวนมากมีถึงแ4ด0มสี่พันธรรมขันมีปดมสี่พันกันเทศเพราะว่าทุกครั้งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมก็จะมีภาพพิสูจนนี้เอามาท่องจากันเอามาจดจากันเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องอัดเสียงเหมือนสมัยนี้ไม่มีเครื่องถ่ายภาพไม่มีเครื่องอัดเสียงต้องใช้ความจำเป็นเครื่องอัด อัดความรู้ของพระพุทธเจ้าไว้ถ้าที่มาบ่วยก็อาศัยการท่องจานี้เป็นการเรียนรู้ไปในตัวเป็นการทบทวนปัญญาไปในตัวเป็นการเจริญปัญญาไปในตัวจาได้ถ้าจำได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยาก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ทำไมพุทธการการท่องจําจึงมีสองประโยชน์ด้วยกันหนึ่งเพื่อเพื่อรักษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้จางหายไปสองเอาธรรมที่ได้ท่องจํานี้มาสอนใจให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ปฏิบัติที่ถูกต้องอเพื่อที่จะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ น, นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาทำกันในวันพระต้องทำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการปฏิบัติธรรมการรักษาใจนี้ก็เหมือนกับการรักษาร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายนี้บางถ้าถึงขั้นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่ไปหาหมอแล้วก็ขอรับยามาแล้วก็กลับบ้าน กลับมาทำงานทำการต่อถ้ารักษาแบบนี้บางทีโรคภายไข้เจ็บมันก็จะไม่หายและร่างกายก็อาจจะตายไปได้คือถ้าเป็นโรคหนักๆเวลาไปหาหมอนี่<ม>เขาก็ต้องแอดมิตแล้วเขาบอกต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาต้องให้อยู่ให้ยาหรือบางทีอาจจะต้องมีการผ่าตัดขึ้นมามถ้าปล่อยให้กลับไปบ้านก็ โรคไข้ก็จะไม่หายนะร่างกายอาจจะถึงแก่ความตายไปก็ได้แันใดการรักษาโรคใจก็เป็นเช่นเดียวกันเราต้องแอดมิเนี่เวลาเราจะรักษาความทุกข์ทางใจนี้เราต้องแอดมิตตัวเราใจเราไปที่โรงพยาบาลของใจโรงพยาบาลของใจก็คือไปอยู่ที่วัดเนี่ยอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนในเป็นเป็นจุดเริ่มต้นก่อน เพราะว่าจะได้รักษาอย่างต่อนเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยการยกเว้นเวลาหลับมันถึงจะได้ผลดีถ้าเรารักษาเพียงแค่นั่งสมาธิแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงทำบุญทาทานใจบาทรักษาศีล5บ้างอันนี้มันจะไม่พอทำบุญทาทานรักษาศีลนี่มันก็ ก็กำจัดความทุกข์ได้ในระดับระดับต่ำๆระดับสูงระดับที่มากกว่านี้ต้องาอาศัยการใช้การปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาจึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างเป็นกรอบเป็นกำนั่นเองและการที่จะปฏิบัติจิตตภาวนา ให้เกิดผลขึ้นมาได้นี้ก็จําจเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงจะสามารถที่จะรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้นั่นแหละคือหน้าที่นั่นแหละคือเรื่องของวันพระคือวันนี้เราต้องแอดมิตใจของเราเข้าโรงพยาบาลไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดวิเวก อาจจะเป็นบ้านของเราเองก็ได้ถ้าที่เราอยู่เป็นที่สงบสงัดวิเวกเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวใครไม่เจอใคร mm hmm. เป้าหมายก็คือไม่ต้องการที่จะให้ใจไปมีอะไรกับใคร mm hmm. ไม่ให้ไปยุ่งกันไม่ให้ไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่ให้ไปสนทนากัน mm hmm. เพราะว่าการสนทนาการมีกิจกรรมนี้มันจะยากต่อการที่จะทำให้ใจนิ่งสงบได้ การรักษาใจนี้ต้องต้องทำใจให้นิ่งให้สงบถึงจะสามารถรักษาใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้ mm. ดังนั้นในวันพระเช่นวันนี้ท mm. ่านก็ต้องหาสถานที่แล้วถ้าอยากจะปฏิบัติอยากจะ admit คือเอาใจของเรานี้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลของใจก็คือสถานที่สงบสงัดวิเวกเช่นตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ หรือตามวัดที่มีการปฏิบัติวัดป่าวัดเขาส่วนใหญ่สถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากเครื่องรบกวนใจต่างๆเช่นการมาคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลธาชนิดต่างๆและบุคคลต่างๆสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้มักจะเน้นให้การอยู่ตามลำพังไม่ให้มาคุกครีกัน นอกจากเวลาที่มีกิจที่จะต้องทำร่วมกันเช่นเวลารับประทานอาหารหรือเวลาที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเท่านั้นที่จะต้องที่จะต้องมารวมกันแต่เวลาปฏิบัติทำเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เน้นการปฏิบัติแบบตามลําพังเพราะว่าถ้ายังมีต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้อยู่ใจจะไม่สามารถ ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ใจก็ยังต้องไปภาวะวนกพว่ววกับเรื่องของคนอื่นอยู่แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครรอบตัวเราไม่มีอะไรมาคอยมาคอยอยั่วยุวนกลวนใจเราการที่จะทำให้ใจสงบนิ่งเพื่อจะระงับดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไป mm hmm. ก็จะเป็นไปได้อย่าง ง่ายดายและรวดเร็วอ่านี่คือวันพระวันกิจที่ต้องทําในวันพระกิจที่สําคัญที่สุดก็คือการภาวนาจิตภาวนาซึ่งเป็นขั้นที่สามของการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปการดับความทุกข์ทางใจนี้ท่านสอนไว้สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือการทําบุญทําทาน ขั้นที่สองคือการรักษาศีลขั้นที่สามคือการบาเพ็ญจิตตภาวนาก <prere> <iek> ารทําบุญทําทานก็เพื่อให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองไม่ให้เราพึง่งพึ่งอาศัาายเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เพราะมันไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริงมันอาจจะดับได้แบบชั่วครั้งชั่วคราว เช่นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราก็เอาเงินนี้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายขณะที่เราไปเที่ยวเราก็อาจจะลืมเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราชั่วคราวแต่พอหลังจากที่เราเที่ยวเสร็จกลับมาบ้านเราก็จะมาเจอความทุกข์เก่าอยู่ดีมันไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ และอาจจะกลายเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ทางใจเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เพราะเมื่อเราต้องพึ่งเงินทองในการดับความทุกข์ทางใจที่ดับไม่ได้แล้วเราอย่ากลายมาต้องทุกกับการหาเงินหาทองเพื่อมาดับความทุกข์ทางใจด้วยและเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองมาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกได้ นการใช้เงินทองเพื่อเป็นการดับความทุกข์ทางใจจึงไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ทางใจแต่เป็นการสร้างความทุกข์ทางใจเพิ่มขึ้นมาอีกวิธีที่จะใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ทางใจได้นึ่งก็มีวิธีเดียวก็คือการเอาไปบริจาคเอาไปทําบุญทําทานเอาไปทําให้ผู้ช่วยผู้ให้ลดความทุกข์ของเขาให้น้อยลงเวลาใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อน แล้วเรามีเงินที่เราจะเอาไปเที่ยวนี้เอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราเอาเงินนี้ไปทาบุญทาทานไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพื่อให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนพอเราเห็นว่าเขามีความสุขจากการกระทาของเราจากการเสียสละทับสมบัติเข้าของเงินทองของเราไปใจเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้เรา ละงับดับความทุกข์ใจเกี่ยวกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ในดับความทุกข์ทางใจได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องมีเงินทองเพื่อที่จะมาใช้ดับความทุกข์ทางใจเราเราใช้เงินทองที่เรามีเหลืออยู่ที่เราไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ต้องมี mm hmm. เงินทองที่เราจาเป็นจะต้องใช้ต้องมี เพื่อไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราอันนี้เราก็ต้องเก็บเอาไว้ต้องมีสำรองไว้แต่ถ้ามีมากเกินไปอย่าเอาเงินทองที่เป็นส่วนเกินนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจเพราะมันไม่มันไม่ดับความทุกข์ทางใจได้และมันกลับจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ทางใจให้เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อใช้เงินทองไปดับความทุกข์ทางใจแบบชั่วคราวพอความทุกข์ทางใจ กลับมาใหม่ก็ต้องใช้เงินทองไปดับใหม่แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้<ม>ก็ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้อีกแล้วถ้าไม่มีเงินทองใช้ดับความทุกข์ทางใจก็จะเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆไป<ม>แต่ถ้าเราเอาเงินทองที่มีส่วนเหลือเกินนี้ที่เราจะไปใช้ดับความทุกข์ทางใจด้วยการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสร เราไปทําบุญทําทานมันจะทําให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาใจที่รู้สึกว่าไม่มีความไม่มีความสุขจะเกิดความสุขขึ้นมาจากการที่เราได้ทําบุญทําทานแล้วความสุขที่เราได้จากการทําบุญทําทานนี้มันก็จะอยู่กับใจเราไปนานอยู่ไปไปจนกว่า เราตายไปหลังจากที่เราตายไปมันก็ไปกับใจเราต่อด้วยมันไม่ได้หมดไปเหมือนกับความสุขที่เราไปซื้อรูปเสียงกิ่นรสมาเสกความสุขที่เราซื้อซื้ อ, อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณมาเสกนิมพอเราพอเราเสกมันหมดไปมันก็หมดไปไปดูหนังฟังเพลงไปดูละครพอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการดูการฟังนั้นก็หมดไป มันก็จะปล่อยให้ใจเรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขเพราะความสุขมันหายไปพอความสุขหายไปความรู้สึกไม่มีความสุขก็คือความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้มันไม่หายไปเหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสพามันยังฝังอยู่ในใจของเราแล้วมันจะอยู่กับใจไปเรื่อย หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วมันจะไปส่งผลตอนที่ร่างกายนี้ตายไปมันก็จะเป็นความสุขที่จะส่งให้ใจนี้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เนีย่ยความสุขที่ที่เราได้ทำไว้มันไม่ได้หมดไปเหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะมันจะหมดก็ต่อเมื่อหลังหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว แล้วใจเอาความสุขนี้พาไปอยู่บนสวรรค์ก็จะเสพความสุขเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนความสุขที่ได้สะสมไว้ในใจนี้หมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกทีแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีนิสัยชอบทาบุญเพราะเราเคยทำมาแล้วเราได้ประสบผล รู้ว่าการทำบุญนี้ให้ผลดีกับจิตใจของเราดีกว่าการเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกิ่นรสต่างๆมาเสกชีวิตของเราก็จะอยู่กับการทำบุญทำทานในขณะที่มีร่างกายแลหลังจากที่ร่างกายตายไปเราก็อาศัยบุญนี้พาให้เราไปอยู่ในสวรรค์เราก็จะยังเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกในสุคติไปเรื่อยๆ อันนี้แต่การที่เราจะมั่นใจว่าเราไม่ไปสู่ทุกขะติเลยนอกจากการทำบุญทาทานแล้วเราก็ต้องมีการไม่ทำบาปด้วยเราก็ต้องปฏิบัติทาข้อที่สองก็คือการรักษาศีลน้าเว้นจากการกระทำบาปเพราะถ้าว่าถึงแม้เราจะทำบุญแล้วเราก็ทำบาป ค, ควบคู่กันไปด้วยอันนี้เวลาเราตายไปนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า ฝายไหนมีกำลังมากกว่ากันบุญกับบาปอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็ยังจะสามารถดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้ในอบายได้แทนที่จะไปสวรรค์ก็อาจจะต้องไปเป็นเปรตเป็นปนรกายไปตนกนรกหรือถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาส์ก่อนเพราะอํานาจของบาปที่เราได้ทําไว้มันไม่มากกว่าบุญที่เราได้ทําไว้ แต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราพยายามรักษาศีลห้าด้วยทำบุญด้วยควบคู่กันไปทั้งสองอย่างโอกาสที่จะไปเกิดในอบายนี้ก็คงจะไม่มีเลยก็คงจะยากมากถ้าเราไม่ได้ทำบาบมากกว่าทำบุญเพราะเจ้าเนี่ยส่งสอนว่าในเบื้องต้นถ้าเรายังปฏิบัติทำขั้นสูงไม่ได้ก็ให้เราปฏิบัติทำขั้นต่ำก่อนก็คือรักษาศีลห้า ทำบุญทำทานอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการไปเกิดในเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเป็นการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทําบุญทําทานและรักษาศี่ห้าเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุ ข, ขติคือตอนเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่มีมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพสินเงินทอง ที่เกิดจากการได้ทําบุญมาในอดีตคนที่เกิดมามีฐานะร่ารวยนี้โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องหาเงินมาเองนี้ก็เกิดจากบุญเก่าที่ได้ทำเอาไว้แล้วก็มีนิสัยแล้วก็มีนิสัยที่ชอบทําบุญด้วยแล้วพอได้ทําบุญพอมีเงินพอมาเกิดแล้วมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็มักจะเอามาทําบุญต่อ เพราะมันมีนิ ส, สัยแบบนี้มาจากชาติก่อนมันติดมาเป็นนิ ส, สัยชาติก่อนเคยทำบุญทำทานมีความสุขจากการทำบุญทำทานชาตินี้พอกลับมาเกิดใหม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็จะเอามาทำบุญทำทานใหม่แล้วเวลาตายไปบุญที่ได้ที่ได้ทที่ไดจากการทาบุญทาทานก็จะส่งให้ใจไปอยู่ในสวรรค์อยู่ในสุคติ นคนที่ทำบุญรักษาศีลห้าเป็นนิสนัยนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเรื่อยๆสามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้แต่ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์อย่างอื่นที่ยังมีอยู่ในใจได้ความทุกข์อย่างอื่นที่มีอยู่ในใจก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้มันยังไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการกาจัด ถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงธรรมนี้แบ่งเป็นเปนสองขั้นด้วยกันขั้นสูงกับขั้นต่ําขั้นต่ําก็คือทําทานแล้วก็รักษาศีลห้าอันนี้ก็จะกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้ไม่ต้องไปทุกข์กับการไปเกิดเป็นสัตว์มิราชัน ไม่ต้องเป็นทุกข์กับการไปเป็นเปรตเป็นอนุสวรรรกายหรือไปตกนรกได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมขั้นต่ำได้คือรักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แทนที่จะเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เอาไปทำบุญทาทานแทนทำแล้วก็จะมีความสุขใจอิ่มใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปบุญที่ทาไว้ นี้ก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์พอบุญหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์ที่มีความมั่งคั่งจากทรัพย์สินจากบุญที่ได้ทำไว้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินจากบุญที่ได้ทำไว้จากชาติก่อนแล้วพอมีนิสัยชอบทำบุญก็ยะ เ, เงินที่มีส่วนเหลือนี้เอาไปทำบุญทําทานต่ออยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปอยู่เรื่อยๆก็สามารถกาจัดความทุกข์ เกิดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้อันนี้คือขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัดความทุกข์ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติขั้นสูงได้เพื่อที่จะได้กําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดซิ้นไปจากใจได้เราก็อาศาัยการปฏิบัติธรรมขั้นต่ําก่อนทําบุญทําทานรักษาสี่ห้าให้เป็นนิสัยไป แต่ถ้าเราหลังจากที่เราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเรารู้ว่ายังมีธรรมที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่ที่ยังไม่ได้รับการกำจัดให้กำจัดหมดไปได้เราก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะมาลองปฏิบัติดูก็ได้เช่นวันพระไหนลองมาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเมื่อก่อนเราปฏิบัติแค่รักษาสีหน้าทำบุญทำทานใส่บาตรบริจาคเงินให้กับ บุคคลนั้นบุคคลนี้วันพรุ่งนี้เราจะมาลองปฏิบัติธรรมขั้นสูงดูการจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้นี้ก็ต้องเพิ่มศีนขึ้นมาอีกสามข้อจากศีลห้าเป็นศีนแปดแล้วเปลี่ยนศีนห้าข้อสามที่การปฏิบัติประเพิผิดในกามเนี่กามมีสุมิฉาจาราเวรมณนีให้มาเป็นอ布拉รรมจาริยาเวรมานีคือให้มาละเว้นจากการเสดกาม ไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยแล้วก็เพิ่มอีกสามข้อสามข้อนี้ก็เป็นการห้ามไม่ให้ใจไปเสพลูกเสียงกลิ่นรดนั่นเองข้อหกก็ห้ามไม่ให้เสพอาหารไม่กินอาหารมากเกินไปไม่ให้กินตามความอยากกินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็กินแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ให้กินแล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรดด้วยการไปดูไปฟังมหรส บ, บันเทิงต่างๆ และการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเชื้อผ้าภรอ์วิจิตพิสดารด้วยน้ำพันน้ำหอมด้วยการทำเเผาทำผมทำหน้าทำตาต่างๆเป็นต้นแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนคือไม่นอนบนบนพื้นพื้นที่นอนบนบนอนบนฟูกที่หนาๆที่มีความสุขทางกายเพราะมันจะทำให้นอนมากเกินไป ปกติร่างกายนี้ถ้าได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงต่อคืนก็พอแล้วแต่ถ้านอนมันสุกเหนียวหนาหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะติดกับความสุขจากการนอนก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็จะทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไปถ้าอยากที่จะดับความทุกข์ขั้นสูงคือดับความโลภความโกรธความหลง หลับความยากต่างๆที่มาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆขั้นต้นก็ต้องมีการรักษาศีลห้ารักษาศินแปก่อนอเพิ่มสินอีกสามข้อปกติเคยรักษาศีลห้าพวันพระวันเราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราก็มาลองรักษาศินแปดูสักวันหนึ่งไม่หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นน้อเพราะการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นน้อนี่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบ เพื่อที่จะ ก, กําจัดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเพราะถ้าเรายังมีความอยากเสรจโลภเสียงกลิ่นลดอยู่นั่นว่าเราไม่มีมาตรการคอยห้ามมันพออยากกินก็จะกินขึ้นมาพอกินนั่งมากมันก็ง่วงนอนแต่นั่งสมาธิก็นั่งหลับแทนที่นั่งแล้วมันสงบนั่งนั่งไม่สงบเพราะมันนั่งมันจะหลับไปหรือว่าพอถึงเวลาจะนั่งสมาธิก็อยากจะดูหนังดูละครขึ้นมา ถ้าไม่ได้ถือศีลแปก็ดูได้ไม่มีข้อห้ามหรือถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ทําได้แต่พอมาถือศีลแปดแล้วนี้ทําไม่ได้แล้วกิจกรรมทางทางการมกุณห้าทางรูปเสียงกฤฤฤฤฤฤิ่นรสโผฏฐาพานี้ต้องหยุดไปเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบคือให้เวลากับการมาบําเทญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้แหละเป็นตัวที่จะมา ซักพอกจิตใจกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้ามีการภาวนาซึ่งแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสามถะภาวนาคือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิขั้นที่สองวิปัสสนาภาวน า, า, วนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าสามารถมีเวลาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะมีความสามารถที่จะทำใจให้สงบถ้าสงบด้วยสมาธิด้วยสติก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วข่าวและแลอจิตสงบเข้าอยู่ในสมาธินี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้มันจะหายไปหมดเลยใจนี้จะอยู่กับความเย็นความสบายความสุขไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่า ความสุขจากสมาธินี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเราเข้าไปสมาธิได้ครั้งหนึ่งก็อาจจะสามสิบนาทีบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างแล้วแต่กำลังของสติแต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องออกจากสมาธิมาเพราะเรายังต้องมาดูแลร่างกายอยู่ร่างกายยังต้องรับการดูแลขับถ่ายต้องเข้าห้องน้ำต้องหาอาหารมารับประทานหาน้ามาดืม่มเป็นต้น พออยากสมาธิมาก็พอเริ่มคิดหรือพอไปเริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็โผล่ขึ้นมาได้ทันทีพอเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาปั๊บใจก็เริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจก็เริ่มร้อนใจก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้มันหายทุกข์ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้าเรายังปฏิบัติอยู่แค่ขั้นสมาธิเรก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องดับความทุกข์ไปพรางๆก่อน เวลาจากสมาธิมามาทำหน้าที่ดูแลร่างกายมาเปลี่ยนวิญาบทมาออกกำลังกายจากนั่งนานๆมาเปลี่ยนมาเป็ น, ปนการเดินเราก็ต้องหมั่นเจริญส ต, ติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมใจไม่ให้โลภโกรธหลง mm hmm. ถ้ามันโลภโกรธหลงมากๆก็ต้องไปนั่งสมาธิเข้าสมาธิไปพอเข้าไปในสมาธิปับ๊บใจนิง่งปับ๊บ ความโลภโกรธหลงก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความโลภโกรธหลงมันก็จะหายไปชั่วคราวแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าออกในสมาธิไปเวลาออกจากสมาธิมาพอใจทุกข์ใจร้อนจากโรคปวดหลงก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่มันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นการดับความทุกข์แบบชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เหมือนกับกินยาแก้ปวดพ อ, อกินยาแก้ปวดอาการปวดก็หายไปชั่วคราว เดี๋ยวพอฤทธิ์ของยาหมดปั๊บก็ต้องกินยาใหม่อย่างนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นการวิธีรักษาแบบยั่งยืนถาวรถ้าอยากจะให้ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้หมดไปอย่างสิ้นเชิงไม่กลับมาอีกเลยต้องเป็นขั้นของปัญญาของขั้นของวิปัสสนาอันของวิปัสสนาก็ให้เห็นความจริงว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้ ถ้าปล่อยให้ใจโลภโกรธหลงเมื่อไหร่ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าอยากจะให้ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก, ก, ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่ใจไปหลงคิดว่าเป็นเครื่องมือดับความทุกข์นี้มันไม่ใช่เป็นตัวดับความทุกข์ได้ mm hmm. เช่นการใช้ใช้รูปเสียงกลิก่นลดมาดับความทุกข์ทางใจมันก็ดับได้ชั่วครั้งชั่วคราว mm hmm. แล้วมันจะกลายเป็นตัวสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะเมื่อเราไปติดมันแล้วเราก็ต้องมีให้มีมันมาคอยดับให้เราอยู่เรื่อยๆพอมันหายไปพอมันจากเราไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ก็คือให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราจะใช้มาในการดับความทุกข์ทางใจไม่ว่าจะเป็นการมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีไม่ว่านจะเป็นสมาธิขั้นต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้เพียงดับความทุกข์ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง แล้วมันตัวมันเองก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะเราจะต้องติดมันต้องคอยพึ่งมันแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถพึ่งมันได้เวลานั้นมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการจะดับความทุกข์โดยอาศัยการใช้กามคุณห้าก็ดับได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ใหม่ขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับการใช้สมาธิขั้นรูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดี ดับความทุกข์ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเวลาไม่สามารถเข้าสมาธิได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์เลยก็คือหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการไม่ไปอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องมือใช้ปัญญาว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากกับอะไรอย่าไปพึ่งอะไรให้มาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ให้ดับความทุกข์ทางใจด้วยการทําใจให้นิ่งเฉยๆให้ไปดูเบกขาสักแต่ว่ารู้ไป ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปเพึ่งพาอาศัยกามาคุณห้าไม่ไปอาศัยรูก ป, ประชานหรือรูก ป, ประชานมาเป็นเครื่องมือดับทุกข์พอมันดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวพอเข้าใจหลังนี้แล้วต่อไปใจก็จะใช้ปัญญาคอยกำจัดความรู้ความโกรธความหลงที่โผล่ขึ้นมาด้วยการพิจารณาเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์แล้วสิ่งที่จะมาทํา ที่มันต้องการจะมาดับความทุกข์มันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงก็เลยไม่ทําตามความโลภความโกรธความหลงพอไม่ทําตามต่อไปความทุกข์ในใจที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดใจก็หมดพ้นจากความทุกข์ด้วยการมีปัญญาเห็นว่าใจนี้พึ่งอะไรไม่ได้นอกจากพึ่งตนเองทั้งเองอัตตาหิอัตนโนนาโถพึ่งปัญญาพึ่งความนิ่งสงบพึ่งการอยู่เฉยๆการเป็นอยูเบกขา ไม่ไปอาศัยไม่ไปอาศัยสิ่งต่างๆมาทำใจให้หายจากความทุกข์นี่ก็คือขั้นสูงสุดของการปฏิบัติที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ต้องต้องอยู่ในขั้นปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็บรรพณ์จิตตภ า, าวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมพิจารณารมไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวมาสร้างความทุกข์แล้วะทำไงให้ความทุกข์นี้หมดไปก็ต้องหยุดความอยากความโลภความโกรธความหลังนี้เท่านั้นเองแล้วความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปการจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ก็ต้องมีเวลาอย่างน้อยก็หนึ่งวันกันหนึ่งคืนก็คือวันพระนี่ให้เราเอาวันพระนี่มาให้กับการปฏิบัติธรรมขั้นสูงมามาถือศีลแปด ขึ้นไปแล้วก็มาเจริญสมาธิเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนแล้วใช้สมาธินี้สู้กับความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วพอความอยากนั้นถูกทำลายไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เอาปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการทำใจให้บทพ้นจากความทุกข์ต้องเลิกใช้เครื่องมือ ต้องใช้การการการใช้รูปเสียงกิดลดก็ดีการใช้รูปประชานลูปประชานก็ดีมันดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่สามารถดับได้อย่างถาวรวิธีดับอย่างถาวรก็คือการไม่โลภไม่โกรธ ไ, ไม่หลงนี่ น, นี่ก็คือกิจของเรากิจของชาวพุทธเราที่พระเจ้าทรงมอบให้ทําในวันพระก็คือมาศึกษาวิธีการดับทุกข์คือการปฏิบัติทานศีลภาวนา เมื่อรู้แล้ต้องทําก็นํำมาไปปฏิบัติดูกําลังของเราก่อนว่าเราทําได้ในระดับต่ําแล้วระดับสูงระดับต่ําก็ทําบุญทําทานรักษาศีลห้าไปถ้าระดับสูงก็มาถือศีลแปดมาอยู่ที่สงบไปอยู่วัดตามอยู่สถานที่สงบจะเป็นวัดก็ได้เป็นบ้านก็ได้จะเป็นป่าเขาก็ได้ขอให้เป็นที่ที่สงบไม่มีอะไรมาลบกวนใจเก็จะได้เจริญสติทําสมาธิให้จิตนิ่งสงบ เมื่อจิตนิ่งสงบแล้วก็จะมีกําลังที่จะสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงได้เมื่อปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่ทุกครั้งที่เกิดความโลภก็จะไม่ทําตามความโลภทุกครั้งที่โกรธก็จะหยุดความโกรธเมื่อทําได้แล้วจิตก็จะพ้นจากความทุกข์อย่างยั่งยืนถาวรนี่ก็คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปูราปาลิปูเรนติสักลังเอวเมีวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉะตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาราสุยทธามณิโชติราสุยทธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาธนสิริสะนิจจังวุธาปจายโน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 แต่วันนี้เรามีชาวต่างชาติอาจจะต้องให้เขาถามก่อนแล้วถ้ามีเวลาพอก็ค่อยตอบคำถามจากจากญาติโยมต่อไปวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กับเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ297้าสิบเจ็ดท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสา4อหสิี่ท่าน ทางยูทูบด็อกตอรวีสามสิบห้าท่านทางวิทยุออนไลน์สิบสองท่านครับเฮาส์เจดท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งรอยสีสิบท่านรวมทั้งหมดแปดรอยห้าสิบห้าท่านครับโอเค now i s the time to ask question s if you have any question please go ahead <c oughs> The first question is: um, Many teachers in Theravada Buddhism they recommend to practice Anatta to get rid of the sense of the self. So one girl she is asking, how exactly should we practice to get rid of the self, because it is the root of ignorance. That's the highest practice. Before you can go up to that level, you have to practice loving kindness first. Love other people first. And then practice dana, charity, helping other, give love to other people. This is the way to reduce your selfishness yourself. But in order to give up your self entirely, you have to meditate. When you meditate, you, if you can succeed, you'll see that you are not the you are not the self. You're just a knower. You are knowing element. The mind is a knowing element that knows. That thing, that feel, but due to delusion, mm -hmm. misunderstanding, the might think that it is it is a self. But in fact, there is no self. It's just a it's just a creation by the mind, imagination by the mind. So, you have to get to that level before you can truly see that there is no self. But before you can go up to that level, you could practice selflessness first by being. Uh, Thinking about other people more than about yourself, looking helping helping other people, making other people happy, and also try to lower yourself down. Try to be treat yourself like a a servant, yeah. and let other people be your boss. This is the one way of reducing your yourself. Eventually, you want to reduce it to zero, which means you only merely know. Whatever people say to you, you just merely know. You don't react to them because there's no self to react to. Because the, the mind just a knowing element. It just know. So that's what you should be should be like eventually, just to be merely knowing. Whatever you see, just merely see. Whatever you hear, just merely hear. Don't react with with love, hate, or delusion. Okay. Thank you very much. Uh, she also wants to ask a question. Um, I have children, uh, and I have very strong attachment to them, and I want to help them uh, to go on the way, to follow the uh, way of freedom. Would you recommend to do if if I have a chance to help them or any practical recommendation? What what I should do? You should teach them to have morality. That is, they should maintain the five precepts: not kill, not steal, not lie, not committing sexual misconduct, and not drinking or taking drugs. This is the basic. Uh, practice to to remain safe and sound, not to not to get into trouble. So they have to be honest, truthful, and they should also practice charity. Learn to give things to other people. Learn to be kind to other people, not just to yourself, because you have to live with other people. And people will only love you if you are nice to them. If you are kind to them. If you are not nice to them or kind to them, then they can hurt you. They can be bad to you. So this is basically what you should first teach your children: to have morality, to keep the five precepts, and also to practice charity. Okay. Same. Uh, some people they are thinking of uh, becoming ordained, but they are asking how to understand that this life will be more fruitful for them. Because sometimes they have to leave their families behind, and they are a bit afraid to make such a step. So, how to understand that a person is ready to be ordained? You first have to have happiness from meditation. Once you have meditation, as you you you mean. Um, Being happy, then you can leave everything behind you. The reason why you cannot leave everything because you still need them to keep you happy. You you you still need money. You still need to go on a holiday. You need to have parties. You need to watch movies. As long as you rely on these things to make you happy, then you cannot leave these things. But if you can meditate and find happiness from meditation. Then you will be ready to be, to ordain because you want to have more time for meditation. And the best the best way to meditate is to become ordained as a monk or as a pikuni, because then you don't have to worry about making a living. You don't have to work to get money to feed yourself. Because once you become a monk or a m e n h i someone will support you. Then you would have all the time to do meditation practice. What is your recommendation to develop very good sati awareness? You have to have days for, for meditation practice. You cannot do it on your working days because when you work, you have to use a lot of thoughts. You cannot stop thinking. The goal of practice mindfulness is to stop thinking, so that when you meditate, your mind can become peaceful and calm and happy. So you m h t have to have days for. Meditation retreat. Like every week in Buddhism, the Buddha said you should have one day off for, for meditation retreat. Like today, stop working and go to a quiet place. If possible, be alone, and then spend all year, all day long developing mindfulness and meditation. You need to have time to do it. Okay. Thank you for this possibility. I Can would you like speak louder, please? ah yes. Okay. Thank you for this possibility to ask this question. Uh, my question is uh, rather personality, but maybe for somebody it will be interesting. Also, mm, uh, I've lost my son uh, uh, more than y e s Uh, about about nine years ago, and um, uh, I feel I'm missing him very much. And uh, I would like to find the equanimity. I'm practice uh, meditation about uh, seven years. I've found my foundation, but um, I couldn't find j o i n uh, Uh, joy or uh, uh, feeling better in my soul here, and uh, I would like to ask you: How can I define? Would I? Um, I uh, what should I do to uh, to find, purify uh, my <coughs> in my mind in my mind, and uh, uh, maybe find uh, freedom? Uh, Uh, in maybe, uh, maybe I, I don't, I don't, I don't want to um, to b o l d again here. You know, I unfortunately, I I uh, I'm very suffered. Yes, the reason why you suffer is because you cannot stop your mind from creating the suffering. See? You're creating the suffering yourself. By thinking about something that you cannot get or have, then you become sad. And so the goal to to stop this suffering is to stop the mind from thinking. So you need to develop a lot of mindfulness, and then you have to sit and meditate until the mind become completely 100% still, not thinking. Then you'll find peace and happiness from that state of mind. So that's the goal: is to practice. w h when you're not sitting in meditation, practice mindfulness. Concentrate on an object, like a mantra, "buto, buto, buto," or you can use watching your body movement. Just focus on your body movement. Don't let your body go and think about other things. And then when you have time to meditate, sit down, and then you can use the mantra "buto, buto," or you can watch your breath. At the tip of your nose. When you breathe in, just watch. Just know that you r e breathing in. When you're breathing out, just know you r e breathing out. Don't do anything. Just watch, and stop thinking about other things. If you can do this, eventually your mind will stop thinking, and then you'll find peace and happiness. Thank you, Thank you so much. I've been practicing this so this way. Yeah, you might have to do in intensive course. Go to a meditation retreat, ten day retreat, fifteen days retreat, something like that, yeah. in order for for you to produce any result. Okay. okay. Thank you so much. All right. uh, is it advisable for lay like, people to keep eight precepts in ordinary life, or is better to keep five precepts? It depends on which one is more practical for you. If you are working, keeping the FPC e might be difficult because you you have to eat at at noon at 12 o'clock, and also you have to have dinner afterward because when you work you you u s e more energy, so you need to have more food to provide the body with the energy to to work. So it's better if you if you are working, just keep the five preset. And when you're not working on your day off, you can keep the eight precepts. But it's up to you. If, you. if your mind is strong enough to keep the eight precepts, then nothing to stop you from doing it. It depends on how strong your your mindfulness is. If you have strong mindfulness, then you can maintain the eight precepts. If you have weak, weak mindfulness, you'll find difficult to keep the eight precepts. So the five p r e c e p t might be more more applicable for you. So you have to depend. You have to look at the strength of your mind. How much can it take? How much can it do? Don't overdo. Don't do something that you cannot do yet, because it will make you frustrated and and can make you feel like not giving up. Yeah. And we have one last question. Uh, when we read uh, discourses of Ajahn Mahabua, he mentioned that the chitta of Arahant becomes deathless. But does it mean that, uh, like on this level of enlightenment, there is like one general chitta, or still there is some distinction to the pure chitta of each person when they reach to this level? Well, see, actually, uh, every chitta of everybody is deathless. It doesn't die. But it takes birth with a body. When it takes birth with a the body, then it has to experience that death, death of the body. But for the j ī t a of a n a t h e r hand, he doesn't take any birth anymore, so he doesn't experience any, any death from from having a body. So he c a l l g h this deathless. But in fact, every mind, every i t t a like you and mine is is doesn't die with the body, but it goes on and take up a new body. And when you have a new body, new birth, then you will have aging, sickness, and death following. If you don't want to have any aging, sickness, and death follow, then you have to stop rebirth. So when you could stop rebirth, then you have, then you can call the mind deathless. Doesn't have to face any death anymore. Death of the body, not death of the mind, because the mind never dies. The mind lives forever. It's the body that doesn't last forever, and as long as you still depend on the body to make you happy, then you have to you have to have rebirth. And when you have rebirth, you have sickness death, and aging and death follow every for every birth. So the goal is to stop rebirth, and in order to stop rebirth, you have to stop the cause of rebirth. And the cause of rebirth is your sexual The sensual desire, craving for sensual desire. You want to use the body as the instrument to find happiness from seeing, from hearing, from eating, from drinking, and so forth. So you have to stop this, this sensual pleasure and desire by using meditation as a replacement. When you can find happiness through meditation, then you can stop using the body as a means of making you happy. Then you can stop rebirth. Then, when you stop rebirth, then there will be no death coming. Thank you very much. The office has allowed us to stay here for four days, starting from tomorrow. So you'll we'll come again to ask more questions later. Okay. Thank you very much. Yeah, you can see me on Saturday and Sunday, same time. Tomorrow I'll be at the dining hall in the morning. We come in dining hall also. Okay. a right. Hope you enjoy your stay here. How long is your uh, your trip here this time with with the with the group? Uh, this started on the second of March. I was before. First, we set a ten-day retreat in the Vipassana c e n t e r from 19 of February. Most of people, and then our trip started uh, on the 2 of March, and we went around many monasteries. So this is our final point, and uh, we will stay here. Not all the people, but like half of the group will stay here, starting from tomorrow for four days. I see. And you leave Thailand after this. Uh, we go on a short trip to the islands for seven days oh. with some people. Some people they leave after staying here. Yes, everybody leaves at different time. But by the end of March, we will all go to different countries. I see. So you have different people joining your your your, your trip. Not not n o all the people, not all the same people throughout the trip. No, but uh, Julia is here again. She has been here last year as well. Mm -hmm. uh, Julia me and uh, Sadarshan, he is our organizer, our leader. But other people they came first time. I see. Okay. I hope you learn something and enjoy your trip. Okay. Thank you very much. You're welcome. มีคำถามยามั้ย You can leave if you like or you can sit and listen to in Thai if you, you like also we still have some more question in Thai but you you r e welcome to leave if you, you don't understand ค okay. ่ะมีมีคำถามถามได้ค่ะจากคุณ24ค่ะกรบนวสัสการพระอาจารย์สอบถามว่าการตายเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ ลมหายใจจะหยุดเมื่อไรส่วนการเกิดนั้นเมื่อลงจิตกำลังจะไปเกิดจากภพภูมิหนึ่งไปสู่ภพภูมิหนึ่งดวงจิตรู้ตัวไหมคะว่ากำลังจะไปเกิดแล้วเหมือนตอนนอนหลับเนอะเรารู้ตัวว่าบเวลาเราหลับเราไม่รู้ว่าเราหลับตอนไหนเราจะรู้ตอนตอนใกล้ตายว่าเราจะตายแต่พอเวลาเราตายจริงๆเราไม่รู้ว่ามันเป็นตอนไหน นอกจากถ้าเรามีสติแบบพระอราหารนะันต์เนี่ยท่านก็รู้ว่าตอนนี้หมดลมหายใจนะท่านรู้ลมหายใจกระทั่งลมหมดไปท่านก็รลมหมดท่านก็ปล่อยจิตกับท่านจิตกับร่างกายของท่านก็จะแยกออกจากกันจากคุณที่คัดนาถามเข้ามาว่าขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําอธิบายการปฏิบัติศิญปดในทุกๆวัน วันพระเจ้าข่า ว, ว่าถ้าเรามีความเพียรพยายามเสมอๆในวันพระถือศีลแปดจะช่วยขยับให้จิตเราให้ห่างจากกิเลสได้อย่างรวดเร็วเหมือนได้ขึ้นทางด่วนอย่างไรซึ่งวันนี้โยมปฏิบัติได้สี่รอบแล้วเจ้าค่ะน้อมกับในความเมตตายอย่างสูงเจ้าค่ะก็ศีลแปก็จะส ก, กัดกิเลสความโลภในรูปเสียงกลิ่นรสการมฉันทะลงไป ถ้าไม่ถือศีลแปดการมฉันทะก็จ ะ, สะแสดงตัวได้อยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้อยากจะดูฟังอะไรก็ดูได้ฟังได้แต่พอเรามาถือศีลแปดเราก็เบรกการมฉันทะจักคุณหนึ่งค่ะขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าต้องการถือศีลแปดในชีวิตประจำวันที่ยังทำงานประจำอยู่ การนั่งเก้าอี้ทํางานที่มีความสูงสําหรับงานออฟฟิศทั่วไปถือว่าผิดสินแปดหมาเจ้าคะ่ะก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเพราะว่าเรายังต้องทํางานอยู่ผิดก็ผิดไปแต่เราก็พยายามรักษาเท่าที่เรารักษาได้ไปรีกว่าไม่ไม่รักษาเลยมันอาจจะไม่ผิดอาจจะผิดก็ได้มันมันไม่ได้มันอยู่ที่เจตนาะถ้าเราใช้มันเพื่อความสุขมันก็ผิดแต่เราใช้เพื่อ เ, เ, เ, เ, เจ้าค่ะจากคุณอาอินบิวกลับนมัสกา ร, รเรียนถามครับพระโสดาบันต้องผ่านความรู้สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกๆโสดาบันบุคคลใช่ไหมครับใช่ฉันก็เห็นร่างกายของลังเกิดแล้วก็ต้องตายแล้วยอมรับความตายได้ถ้าเรายอมรับความตายได้เราก็เป็นโสดาบันได้ แต่ถ้าเรายังไม่ยอมรับความตายยังกลัวตายอยู่เราก็ยังเป็นโสดาบันไม่ได้ค่ะจากคุณสุกัญญาพระอาจารย์บอกว่าจิตถ้าเข้านิพพานจะเป็นแค่ท่ารู้อยากทราบว่าจิตรู้อย่างไรคะในเมื่อไม่มีขันแล้วสิ่งที่รู้คือรู้อย่างไรคะกราบขอบความกรุณาอธิบายคะ่ะ อ, อธิบายไม่ได้หรอกนู้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้ได้ สันทิติโกผู้ที่ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเอง <c oughs> อธิบายไปก็เหมือนอธิบ า, บายบอกสีแดงสีดําให้กับคนตาบอดะสีแดงเป็นอย่างนี้นะสีดําเป็นอย่างนี้นะคนตาบอดฟังก็เออเออก็เท่านั้น่ะก็ยังไม่รู้อยากแยกแ ย, ย, ยะพอลืมตาขึ้นมาพอเห็นสีแดงก็อาจจะคิดว่าเป็นสีเขียวไปก็ได้เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนสจ้าจากจากคุณเล็กเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ มีเพื่อนที่คิดว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับเบื้องบนได้คนจะช่วยให้เขากลับมาได้ยังไงคะไม่ต้องช่วยถ้าเขาไม่ได้ขอร้องไปช่วยเขาทาไม mm hmm. เขาอาจจะสื่อสารได้จริงๆก็ได้เราจะไปรู้ได้ยังไงจะไปประมาทคนนะคนมงคนถึงแม้เขาไม่ได้บวชเขาไม่เป็นพระแต่เขามีพลังจิตก็มีเหมือนกันแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขาจะรู้อะไรมีความสามารถอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเรา mm hmm. เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคก็งั้นก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ